อริยะชสีห้าแปดมื่นสี่ 5, 80, 40, พระธรรมขันหมายความว่ายน่นลงถึงขันห้าคือหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่สังขารห้าเวียนญาณหกหมายความว่ายน่นแปดมื่นสี่พระธรรมขันธ ลงในอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเก็ยยน8ม่นสพระธรรมขันธ์ลงถึงอภินิหารนิยธรรมมีเกียรติอย่างหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็ความเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็ความเพียงกันเลิก และพร่อเพียงช่วยกันทํากิจที่จะสงจะต้องทําไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในสิ่ขาบทามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ภิกษุราดาเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสง์เคารพนับถือภิกษุนั้นเชื่อฟังถ้อยคําของทาง่านข้อห้า ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นข้อหยินดีในเสนาสนาป่าข้อเจมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นไ ม, ม่วิวาสกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันทำเก็รตอย่างนี้ทำผู้พฤตให้เป็นที่รักที่เขารบของผู้อื่น เป็นไปเพระความเจริญฝ่ายเดียว8ปดหมายความว่าอัตถังคิกมามคฆาแปดสมมาทิฐิความเห็นชอบคือเห็นอนิจญาสสี 4. สัมมาสังกปะดําลิชอบคือดําลิจะออกจากกามหนึ่งดําลิในอันไม่พยาบาลหนึ่งดําลิในอันไม่เบียดเบียนหนึ่งสามสมมาเจรจา เยนจาชอบคือเว้นจากวิชิตุจริสี่เว้นจากพูดเทศพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อสัมมารกรรมโตการงานชอบคือเว้นจากก า, ายทุจริสาสามสัมมาอิชีโวเว่นจากวิเลี่ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมาสติและลึกถึง สติปัฏฐานสี่พิจารณากายลงจนถึงอนัตตาพิจนารณาเวทนาลงจนถึงอนัตตาพิจนารณาจิตลงจนถึงอนัตตาพิจนารณาธรรมลงจนถึงอนัตตาไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าท่าสี่ดินน้าพยายมามรวมชมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ท่ากรรมฐานสมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบ คือเจริญฌานทั้งสี่มีปสมวิชาเป็นต้นจนถึงจะตุทะฌานก็แล้วแต่กรณีของบุคคลผู้ใดจ ะ, จะเจริญถึงเป็นเรื่องที่หัดแ้ภาวนาอันนี้ข้อแปดนี่เรียกว่าสมาสมา ธ, สมาธิสมาธิใดๆจะเสมอเหมือนอาณาปานาสติก็เป็นของยาก สมาธิ อ, าอื่นๆเป็นเมืองขึ้นของอาณาปณะสติหมดเพราะอาณาปณะสติลมหายใจเขาออกมันมีกรรมฐานอยู่นั่นทุกๆ ก, กรรมฐานแล้วความแก่เก็บตายพุทธธรรมสงก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกที่นี้ต่อไปอีกจะเราว่าเก้าที่นี่แปมื่นสี่พระธรรมขันย่นลงเป็นเก้า มักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมักสี่คืออะไรโซดาภริมรสีหนึ่งสักธาคายมักหนึ่งอานาคายมักนหนึ่งอนัตหตมรสีหนึ่งผลสี่คืออะไรโซดาภริผลสักธาคายผลอานาคายผลอ น, ผล 4, ผลนัตหตผลมรสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคืออะไร คืออนุภาติเสษสนริพานานี่หมายความว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ก็ดแปดเก้าสุศูนย์ทีนี่ศูนย์หมายความว่ายัางไงก็หมายความว่านิพพานังพลมังศูนย์อย่างนิพพานังพลังมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นธรรมันว่างอย่างยิ่งเพราะว่างากาเกิดแกด่เก็บตายโลภโกรธหลง ศูนย์ออกจากเก็บแก่เก็บตายเรบโกนหลงจากาตาจากพบทีนี้พระพุทธศาสนาสอนพวกเราให้ถึงว่าพุทธระธรรมพระสงค์ทางจิตทางใจเบื้องต้นไม่ถือสิ่งอื่นมาเป็นสาระนะจึงสมกับคำว่า พุทธัสงสนนังคาฉามิทมามังสัขงขังถึงทุติตติเมื่อถึงไปถึงมาก็ถึงอยู่ที่ใจของตนของใครของมันพุทธธรรมสงเรอยู่ที่ใจของมันของใครของมันไม่ได้อยู่ที่อื่นแปด0มื่นสี่พระธรร ม, มขันยนลงมาหาใจเพราะถ้าจะพระไรออกเป็นอสังขโหมันก็มากมายหลายร้่น ย่ลงมาถึงกาพุโทโธก็แปรไหวใจธรรมโมก็ส่งไหวถึงกาสังโฆก็ปฏิบัติใจแต่หมายความว่าปฏิบัติในทางที่ชอบไม่ใช่ปฏิบัติในทางที่ไม่ชอบต้องลองพุโทโธธรมโมสังโฆก็อยู่ที่กาจะสูงขึ้นหรือต่ําลงคงที่เข้าใจเป็นผู้สูงและต่ําลงคงที่จะเป็นโลกุตระก็ขึ้นอยู่กับใจ ถ้าเป็นโลกีก็ขึ้นอยู่กับใจพระใจเป็นหัวหน้าจิตตังทันตังสุขาว่างคิดที่ฝึกฝนแล้วก็นำสุขมาให้ก็นำมาให้ใจนั่นเองไม่ได้มาให้นำมาให้ทางอื่นภูริศาธรรมสารติศรัทธาเทวมนุษย์สานางังพระพระมาศาสตราสอ น, นพวกเราทั้งหลายฝึกใก ล, ลมหังใจเข้าออกก็ดี ทานศีลภาวนาก็ดีทุกสิ่งทุกอย่าง ก, ก็ให้ฝึกไกลใจที่ฝึกฝนแล้วก็นําสุขมาให้ใจที่ไม่ฝึกฝนก็นําทุกข์มาให้ตามส่วนคนข้าของเหตุที่ทําน้อยแลท้ทําว่าคนเรามีความผิดอยู่ทุกๆท่านถ้าไม่มีความผิดก็จะไม่มาปฏิบัติเพื่อรักษาความผิดเพราะใจมีเวรมีภยัยจึงปราถนาเพื่อไม่ให้ใจมีเวรมีภยัย ไม่ได้มาฆ่าเอาเวรอาภัยในวัดตาสองศาลนี่จะมาปล่อยเวรปล่อยภัยในวัดตาทองศาลนี่นับแต่ปานาธิบาตมาเป็นต้นมาเรียกว่าปล่อยเวรปล่อยภัยตลอดถึงอาทิตนาธานการมีมุสาสุราตลอดถึงศิน 8, ้นแปดสิน 8, ส้นห้าสิ้นินสอยเกียรติหรือสมาธิใดๆก็ตามหรือปัญญาใดๆก็ตามเพื่อจะหาอบายปล่อยเวรปล่อยภัยนั่นเองไม่ได้หวังเพื่อจะมาขอเวรขอภัยในวัดตาสองศาลอันนี้นั่น นักปล่อยเวรปล่อภัยนักไก่ถึงทางปล่อยเวรปล่อยภัยนักไก่ถึงทางยินดีนพระนิพพานยินดีในทางไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกพราะเรามาเกิดในวัฏฏะทรสงสารแล้วก็มาเป็นนี่เป็นศีลของตัวเองไม่ใช่มาเพื่อผู้อื่นมาเพื่ อ, อตนเองทั้งนั้นเพราะกรรมเวรของตนมีก็มาเกิด ถ้ากรรมเกิดไม่มีก็ไม่ได้มาเกิดพระอรหันต์ท่านไม่มีกรรมเกิดท่านก็ไม่ได้มาเกิดเหมือนพวกเราท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปซะนั่นพวกเรายังมีกรรมเกิดกรรมแก่กรรมเก็บกรรมตายกรรมีโย่อพัดผ้า ก, ก, กรรมเกเรกรรมโลคกรรมโกรธกรามหลงแต่จะพิจกันก็แต่ว่ามีน้อยมีมากต่างกันถ้าท่านผู้พ้นไปแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปเสีย ก็ยังเหลือแต่พวกเราข้างอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้วัฏฏะแปลว่าหมุนเวียนไปในทางทุกข์ทุกอยู่ทุกลมปรานกรรมฐานใดๆในโลกถ้าเราเจริญกรรมฐานอะไรก็าตามผู้ชอบรอมหายใจเข้าออกก็ต้องเอาผู้ชอบพิจารณากายก็ต้องเอา เกศาโรมานะขาทันตาตาโจก็ดีมานะสติพุทธานะสติและลึกถึงุลของพระพุทธเจ้าที่พระองค์และทรงกัคคูนแก่ผู้อื่นเมตตาแผ่ไม่ทีจิตที่จะให้สัตว์ทั้งปวงมันสุขทั่วหน้าอจุพระภิจารณาร่างกายตัวเนี้ยผื่นและเห็นเป็นประงามมานัสตินึกถึงความตายจะมาถึงตนกรรมฐานสี่อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิสพระบรมศาสดาสอนไว้แต่เจ้าชอบอันไหนก็ต้องเอาอันนั้น ตามนี้ใช้ลัทธิาสนาของเราณไปไหนก็เอาพุทธธรรมสรงไปด้วยเพราะจิตใจของเราถึงพุทธธรรมสง่งพุทธธรรมส่งอยู่ที่ใจของเราแล้วเราไม่ได้หาบเราไม่ได้เหี้ยถ้าเราถือผีแล้วเอาผีไปด้วยเพราะผีก็งอยหัวใจเราไปเราถือศาสดาอื่นศาสาอื่นก็งอยหัวใจเราไปอยู่ที่ไหนก็ไปด้วย ต้องไปตกไหนก็ไปด้วยไปด้วยกับชีวิตกับใจของเรานั่นเองไม่ได้ไปกับที่อื่นทําดีแล้วก็มาหาใจไม่ได้ตอนเขาโคกคอกยากเหมือนโคและกระบือทําชั่วแล้วก็มาที่ใจไม่ได้ตอนเขาคอกอีกไม่ได้ไร่ฮือฮ่าใจเป็นใน่เพื่อนของใจ นอกกากกายไม่มีอันใดจะเป็นที่พึ่งของกายนอกกากกาไม่ก็ไม่มีอันใดจะเบียดเบียนใจใจเท่านั้นเป็นที่พึ่งของกายอาตีอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของกนั่นเองนังทำอะไรก็ทำให้ตนทั้งนั้นตนคือใจใจคือตนตามสมมติ ทำให้คนอื่นไม่ได้นั่งก็นั่งให้ตนคนอื่นนั่งแทนไม่ได้หายใจเข้าออกก็นั่งหายใจเข้าออกให้ตนคนอื่นทำแทนไม่ได้ทำแทนให้ได้ก็เป็นแต่วางข้างเช่นบุญอุทิศอุทิศให้กันได้แต่ว่าได้เป็นบางอย่างไม่ได้เป็นบางอย่างปฏิทานอมัยบุญสาเร็จด้วยการให้ส่วนบุญการทำบุญมันก็มีหลายอย่างเหมือนกัน ทานะไมบุญสมเร็จด้วยการบริจาคทานศีลละไม่บุญสมเด็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาอัปจายะละไม่บุญสําเร็จด e. ้วยการประพฤติตอมตนแก่ผู้ใหญ่เวียวัจจะไมบุญสําเร็จด้วยการช่วยค้นขวายในจิตที่ชอบปฏิทานะไมบุญสมเด็จด้วยการให้ส่วนบุญเหมือนเราทำบุญอทิศให้ไปดามัญญาผู้ย่าตาทวดหรือทั่วทา้งไตยโลก่านเรียกว่าปฏิทานะไม ทำบุญแล้วนึกคิดอุทิศให้เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็าตามบุญอันนั้นก็คืนมาหาเราได้รับก็คืนมาหาเราไม่ได้รับก็คืนมาหาเราเพราะของเราเพราะเราทำธรรมัเจวนาไมารรมัยบรรเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไมาบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรม ทิฏฐุชุกรรมการทําความเห็นให้ตรงนี่เป็นบุญแต่ละอย่างละอย่างบุญแต่ละอย่างละอย่างก็ไหลเข้ามาสู่หัวใจทั้งนั้นแหะไม่ได้ไหลไปทางอื่นบาปแต่ละอย่างละอย่างก็ไหลเข้ามาหาสู่หัวใจไม่ได้ไหลไปทางอื่นนั่นใครของใครของมันเพราะว่าเรามศาสราเป็นเพียงขี่บอกเท่านั้นเหิื่นอน จะนอนต่างก็ไม่ได้เหี้วน้าจะดื่มแทนก็ไม่ได้เป็นเพียงชื่อบอกของใครข้อมันทำเพื่อตนทำเพื่อใจทำเพื่อไปพระนิพพานไม่ได้ทาเพื่ออยู่ในวัฏสงสารบุญใดๆที่ทำด้วยทานวัตศีลวัฏภาวนาวัตจะวัดเวี่ยงออกไปจากโลกทั้งนั้นจะมีน้อยมีมากก็ปรารถนาเพื่อพ้นทุกในวัฏสงสารสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ศาลานี่ก็รรมกันไม่ใช่ศาลาพวกเราขี้เทอของพระบรมศา ส, สนาเรามาอาศัยขี้เทอของท่านอยู่จะทําสวยหรือไม่สวยก็ขี้เทอของท่านของพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เราจะสําคัญว่าของคนนั้นคนนี้มันก็ขี้หึงกันในไต่โลกธาตุาเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาหมดเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นใครจะลู่แร้วไม่ลู่ก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยวัดนั่น ของคนนั้นวัดนี้ของคนนี่ถ้าพูดตามปรมัตดแท้จะสวยหรือไม่สวยจะมากหรือไม่มากก็ตามทรัพย์ในไตโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเ ป, นนเป็นน้ำลายของพระพุทธศาสนาเป็นน้ำลายของพระรยาเจ้าทั้งหลายท่านบ้วนทิ้งแล้วเพราะเหตุใดท่านจึงบ้วนทิ้งเพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นแรกแยะปวนแลวแตกสลายเอาเป็นเพียงอาศัย ปัจัจสี่เพื่อปฏิบัติพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ได้หวังว่าจะมีน้อยม่มากว่าให้เป็นเปรตมาเฝ้าอยู่ที่นี้ไม่ใช่สมบัติของใครบัดไปบัดมาเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายอันนั้นด้านวิปัสนาธุระธุระของจิตของใจที่พิจารณาเรียกว่าวิปัสนาธุระสมาธิก็เหมือนกันสมาธิก็ออกากวิปัสนาธุระนั่นเองทาไมถึงหัดให้กาหนดลมหายใจเข้าออก หรือกำหนดก ำ, กำหนดให้รู้จักสมาธิให้ความตั้งมั่นความตั้งมั่นจะตั้งมั่นู่ได้นานสักเพียงใดก็ตามก็ถอนออกมาหมดกำลังหมดกำลังก็ถอนออกมาปฐมฌานหมดกำลังก็ถอนออกมาทุติยฌานหมดกำลังก็ถอนออกมาตัตยฌานหมดกำลังก็ถอนออกมา mm. เห็นนิมิตเห็นเทวดเห็นเทวนาเห็นอินเห็นพรหมเห็นพยอมพระการเห็นเจ้าทศกุมาลทั้งสี่จะปรากฏ ว่าเหาะเหินโดยอากาศไปทางไหนก็าตามผลุดใช้ก็เกิดดับเป็นทั้งนั้นลงมาสู่ใต้อำนาจของอนิจจังทั้งนั้นแหละเหตุฉะนั้นผู้พิจารณาอนิจจังพร้อมกำลมหายใจเขาออกผู้นั้นเขาสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วเน้อผู้ใดพิจารณาทุกขพร้อมกำลมหายใจเขาออกบุคคลผู้นั้นก็สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วเน้อ บุคคลผู้ใดพิจนารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่สากลูเป็นแต่สากาล เ, ากาเห็นค้ามกลับลมหายใจเขา้าออกผู้นั้นเขาก็าสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วเ น, อน้อนะเพราะจะพิจนารณาเพื่อมาให้หลงภาวนาทําไมภาวนาเพื่อมาให้หลงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอดีตคืออะไรอดีตคืออันนี้ยังที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคืออะไรคืออนิจจังที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคืออนิจจังที่กำลังเป็นอยู่นั่นอดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือกองทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือความเกิดแก่เก็บตายที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือความเกิดแก่เก็บตายที่ยังไม่มาถึง ปัจจุบันคืออะไรคือความเกิดแก่เก็บตายที่ยังกำลังมีอยู่ทรงอยู่เอาปัจจุบันเป็นพยานฉันทำท่านใดใดก็ตามเอาปัจจุบันเป็นพยานปัจจุบันคืออะไรคือขั้นห้าอาดีตคืออะไรขั้นห้าที่รองมาแล้วอนาคตคืออะไรขั้นห้าที่ยังไม่มาถึงอดีตคืออะไรคือดินหน้าไฟลมที่ล่วงไปแล้ว อนาคต God, คืออะไรดินน้าไฟลมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือดินน้าไฟลมที่กําลังเป็นอยู่ปัจจุบันคืออะไรคือลมกําลังออกกําลังเข้าอดีตคืออะไรลมออกเข้าที่โลกไปแล้วอนาคตคืออะไรคือลมออกเข้าที่ยังไม่มาถึงนั่นอดีตคืออะไรคือความเปื่อยเน่าที่โลกไปแล้วในสกุลกายนี่ อนาคตคืออะไรคือความเปลด่ยน่าที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกําลังที่เป็นอยู่นั่นสภาพกันเลยถ้าจะพิจารณาธาตุ อ, ด, อ, อดีตคืออะไรคือธาตุสี่ดินน้าไฟลมที่รองไปแล้วอนาคตธาตุสี่ดินน้าไฟลมที่ยังมามาถึงปัจจุบันคือดินน้าไฟลมที่กําลังเป็นอยู่ถ้าไม่เอาปัจจุบันเป็นพยาน มันก็ไม่ทิ้งความสงสัยในสังขารทั้งปูงเพราะพระนิพพานไม่ใช่อดีตอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันส่วนคุณพระพุทธธรรมสอ์ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่ปัจจุบันมีคุณอยู่ไม่มีประมาณมีพระคุณอยู่ไม่มีประมาณคุณพระนิพพานก็ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่ปัจจุบันสัพคุณทั้งปวงเป็นเมืองขึ้นของคุณพระนิพพานหมดพุทธธรรมสองก็เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพาน พูดแทรร linkage, touching, ้ทำแท้สงแท้ก็คือพระนิพพานเราดีๆนี่เองพระพุทธศ า, าสนาไปจบอยู่ทีนนสสนท่นั้นพระธรรมศาสนาในในในก็ไปจบอยู่ที่นั้นพระสังฆศาสสนาก็ไปจบอยู่ที่นั้นภาวนาใดๆก็ไปจบอยู่ที่นั้นสังขารใดๆก็เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานทั้งนั้นในไตโลกธาเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานถ้าตุไตโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพาน ก็เท่ากับว่าเป็นสมบัติของพระนิพพานที่วางแล้วที่คลายแล้วเมื่อเป็นสมบัติของพระนิพพานได้ก็เท่ากับว่าเป็นของสมบัติของพุทธธรรมสงฆ์ไม่ใช่พุทธธรรมสงฆ์ที่มีกิเลสพุทธธรรมสงฆ์ในทีน่นี้พุทธธรรมสงฆ์ของพวกเราที่กําลัง ป, ปฏิบัติอยู่เดียวนี่อยู่ในดวงใจของพวกเราเมื่อเรายังไม่พน้นก็เป็นพุทธธรรมสงฆ์ที่มีกิเลสอยู่พระโสดาบันเรียนนโม ไม่หลงทางพระสกทาคามีอนาคามีพระรหันพระรหันเรียนนโมจบแล้วนโมของพระรหันไม่มาเกิดใจเก็บตายอีกลมหายใจเข้าออกพระรหัน์ก็จบแล้วไม่มีกิเลสสัมพยุตหายใจเข้าก็ไม่มีราคะโทสะโมหะหายใจออกก็ไม่มีราคะโทสะโมหะผู้ภาวานาอานาปัณสติจะเห็นดีกันเราจาก พิจารณานี่รอดความดับตัญหาคือทํามันไม่มีกิเลสหายใจเข้าหรือหายใจออกมันมีอยู่เหมือนกันนั่นเราจักพิจารณาทำมันไม่เกิดไม่ดับพร้อมกันรวมหายใจเข้าแล้วหายใจออกธรรมะเบื้องสูงเราจักพิจารณากาย พ่อขับลมหายใจเข้าหายใจออกลงสู่อนัตตาเราจะพิจารณาเวทนาความสวยสุขทุกข์อารมณ์พ้อกับลมเข้าและลมออกเราจะพิจารณาความจําพร่อมกับลมเข้ากับลมออกเราพิจารณาสังขารความปรุงแต่งพ้อกับลมเข้ากับลมออกเราจะพิจารณาวิญญาณพ้อกับลมเข้าแะลมออก เราจะพิจารณาอานิจจังให้รู้ชัดพ่อกับลมเข้ากับลมออกพอเรารู้จักว่าลมมากระทบปลายจมูกมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบัญญัติว่ากลางลมมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบัญญัติว่าท้ายลมมันก็เป็นอดีตไปแล้วทีนี้ตกลงอดีตอนาคตปัจจุบันก็เลยมีอยู่ทุกการ ไม่ใช่การานั่นการนี้จ um nice 응ึงจะมีคุณ uhm. พ <th> <wi> ุทธทรรสง์ก <ams en> <th o> ็มีอยู่ทุกการไม่ใช่การนั่นการนี้จึงจะมีผมคนละฟันหนังละเอ็งกระดูกก็มีอยู่ทุกการไม่ใช่การนั่นการนี้จึงจะมีความเป่วยเน่าในสกปราร่างกายก็มีอยู่ทุกการไม่ใช่การนั่นการนี้นั่นอะไรอะไรก็ให้พิจารณาลงในปัจจุบันพระบรมศาสดาสอนผู้ใดแม่รัปัจจุบัน ผู้นั่นจะสงสัยในพระพุทธศาสนาผู้นั่นคอนแคนในพระพุทธศาสนาพุโทธโธธรรมสังโฆมีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่บนเพือพึมพำบ่บนแรง้งบ่นลมเฉยๆคุณพุทธธรรมสงมีจริงทั้งทางสมมุติ ด, ด้วยทั้งทางสมบัติ ด, ด้วยทั้งทางธรรมะด้วยแล้วนั่งอยู่เนี้ยเนี่ก็ ว่าคุณพุทธสามสงทางนั้นล่ะนี่ที่เรานั่งอยู่นี่สล า, าพุทธสาสงไม่ใช่สล า, าพวกเราเนี่ยาอุทิศท่านแล้วเนี่ยน้หลายของท่านดวงไฟดวงฟ้าอะไรก็เหมือนกันเนี่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่นในนอมบูชากิเลสของพวกเราถ้าน้อมบูชากิเลสเขาพวกเรามันก็ผิด น, นั่นทุกสิ่งทุกอย่างมีมีน้อยก็ ไม่ลำบากมีมากก็ไม่ลำบากถ้าน้อม บ, บูชาคนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าสำคัญว่าตัวเป็นข้าเป็นท่ า, าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะไปเดือดร้อนทำไมมีน้อยก็ดีมีมากก็ดีแล้วก็บูชาพุทธธรรมสงฆ์เรียกว่าเรากินขี้ขกินเยี่ยวของพุทธธรรมสงฆ์เราก็หมดเรื่องกันถ้าเขาขี้เราขี้หึงว่าเป็นของคนนั่นคนนี้ปัญหามันก็มากในโลกอันนี้ปัญหามันลบลาข้าฟันกันอยู่นี้ก็เพราะว่ามันขี้หึงว่าเป็นคนนั่นของคนนั้นคนนี้ละ่ะ ถ้าต่างคนก็ต่างรู้จักว่าพวกเรามาเริมก้างของพระพุทศธศาสนาอย่างรบหลาค่าฟันกันเลยเดี๋ยวไม่พอร้อยปีก็าตายถ้ามีความเห็นอันเดียวกันอย่างนี้นะสงครามจะมาจากประตูไหนมันก็ไม่มีเมื่อสงครามไม่มีกิเลสก็ไม่มีเวียนไพล์ก็ไม่มีนั่นคนเรามัญชีหึงกันในเรื่องวัตถุภายนอกนี่เองนั่น มันเป็นเวรเปนภัยกันอยู่นั่นถ้าไม่คิดหึงในเรื่องวัตถุภายนอกต่างคนก็ต่างกินดีในพระนิพพาเคนเนี่ยความคิดหึงก็ลดยอนลงใครเอาไปได้ไม่มีใครเอาไปได้ของใครของมันเกิดมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยใจดวงเดียวเท่านั้นแหละไปก็เอาใจดวงเดียวไปจะมีมากมีน้อย ก, ก็เอาใจดวงเดียวไปถ้าใจมีบุญก็เอาบุญไปด้วยถ้าใจมีบาปก็เอาบาปไปด้วยถ้าใจไม่มี กิเลสก็เข้าสู่เนิใานนั่นพระพุทธศาสนาเป็นกองดับเพลิงดับเพลิงกิเลสของสตัตว์ทั้งหลายน้ำน้อยไฟมากน้ำก็ดับไม่ได้น้ำมากไฟน้อย น้ำก็ดับไฟไม่ได้น้ำก็มากไฟก็มากถ้ารู้วิธีดับมันก็ดับได้จะน้า ม, มากสักเพียงไหนก็ตามถ้าไม่รู้วิธีดับมันก็ดับไม่ได้เพราะไปเทใส่ที่อื่นไม่เทใส่ที่ตรงไฟฉันไหนก็ดีแล้วภาวนามากแต่ว่ามันไม่ถูกกับจริต แต่ว่าแก้ไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นสมาธิ่หัวต่อแต่ว่ายังดีกว่าไม่ทำทำดีกว่าไม่ทำของน้อยจะกลายเป็นของมากคนเราจะถึงชั้นมัธยมก็ต้องไปแต่กอศรากาขอศรอาขาเช่กอนจะปริญญาใดๆก็ต า, ามเราไม่ประมาท การสร้างบา ร, รมีนี้รงสารเราไม่ยอมตัวจะเป็นกบเฝ้าดอกบัวไม่ยอมตัวจะพาเศรษฐีไปฆ่าพาเศรษฐีไปฆ่าคือยังไงเรามาในพุทธศาสนาผู้พระพุทธศาสนาแล้วเรามาเห็นภายในวัดตารงสารผวกเขาภาวนาเห็นภายในวัดตารงสาร กิเลสของเขาก็น้อยลงการอาลัยในวัฏฏะสงสารก็น้อยลงก็เรียกว่าพาเศรษถียรประค่าในในในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจอนิจจ์ในในในโลกล้วนอยู่ใต้อำนาจทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอนิจจงชัดก็เห็นทุกขังชัดก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนชัด สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตัวนั่นเองคือสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นเองคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็มีความหมายอันเดียวกันอันนี้จังทุกขังอมนตตาไม่ใช่อยู่คนละเป้าดินน้ำไฟลมรูปเวทนาสัญญาสังขามญญานก็เหมือนกั น, ก, นก็ไม่ใช่อยู่คนละเป้าอยู่เป้าเดียวกันคือเป้าจิตเป้าใจเป้าผู้รู้เป้าสติต่เป้าปัญญานี่เองศรัทธาความเชื่อ วิทยะความเพียรศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิิยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงก็อยู่ที่แห่งเดียวกันพระคือทำเป็นกรรมลังห้าอย่างอยู่ที่แห่งเดียวกันพุทธ โธรรำโมสังโคก็อยู่ที่แห่งเดียวกันคือแห่งของใจเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่แห่งเดียวกัน8ปดหมสี่พันพระธรรมขันก็เป็นเชือกแปด 0,000 ื่นสี่พันพระธรรมขันเกลียวศินห้าก็เป็นศินตัวเดียวคือเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ใจศินแปดก็เป็นศินตัวเดียวไม่ล่วงละเมิดเป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ใจ สมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่กาปัญญาก็รอบรู้อยู่ที่กานิพพิทาก็เบื่อหน่ายอยู่ที่กาวิราคะก็สิ้นควากำหนัดอยู่ที่กาวิมุตติก็รุดพ้นอยู่ที่กานิพานก็ดับสนิทอยู่ที่กา่นะถกลงก็อยู่ที่แห่งเดียวกันะไปหาที่อื่นก็ตื่นไม่พบงมปลานอกแขนนอกอ้วนมันไม่พบ อะไรจะทำอะไรดีอะไรชั่วก็าเกิดขึ้นที่ใจเพราะใจเป็นหัวหน้าจะชอบก่อเวรก่อภัยก็เคยใจจะวางเวรวางภัยก็เคยใจศีลตัวเดียวสมาธิตัวเดียวปัญญาตัวเดีย ว, ญญ ว, ยวมิมุติพานก็มีตัวเดียวตัวใจเท่านั้นนั่นโอปนญิโกนอเขามาสายใจท่านจงมาดูเถิดเอหิปัติโก ก็มาดูใจนี่เองนนเสียงเขาบอกเวลาล่วงไปแผ่และมากล่วงไปแล้วเนอล่วงไปแล้วเนอล่วงไปแล้วเนอเขาบอกอย่างนั้นนาฬิกาล่วงไปแล้วเนอล่วงไปแล้วเนอชีวาทักษัยล่วงไปแล้วเนอล่วงไปแล้วเนอล่วงไปอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน เมื่อ น, น้ำไหลได้เวลาเท่านั้นเทน่านี้ไม่ใช่ได้มันล่วงไปอายุของท่านเท่าใดพรรษาเท่าใดก็สมมติกันว่าได้เท่านั้นเทน่านี้ไอที่แท้ก็มัรลล่วงไปล่วงไปล่วงไ ป, งไ ป, งไปทำดีแล้วก็ล่วงไปไม่กลับคืนมาเป็นเป็นชั่วตอนไหนทำชั่วแล้วก็ล่วงไปไม่กลับคืนมาเป็นดี นอกจากจะทำใหม่เท่านั้นเมตตาตนเมตตาใจเมตตาตนที่มาท่องเที่ยวในวัดตะสงสารบุคคลผู้ยินดีในพระนิพพานบุคคลผู้นั้นเมตตาตนยิ่ง เพราะเ ก, งก่งจะมาท่องเที่ยวเกิดเก็บตายในวัฏสงสารอีกเหตุฉะนั้นจึงพอใจปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เขาก็ดับเพลินในวัฏสงสารอยู่ในตัวจะขบรถคืนหรือไม่ขบรถคืนมันก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชัดของเขา หรือของท่านแต่ละท่านแต่ละคนคำว่าเขาก็เป็นคำหยาบเป็นคำสาหัลเกินไปแต่ละท่านแต่ละคนเป็นคำที่ฟังไม่แสลงหูทุกสิ่งทุกอย่างเปิดอยู่แล้วชาติเป็นทุกขา์าความแก่เป็นทุกข์ ตีหมดทั่วแผ่นดินเลยถูกทั้งผมมาโรคเลยคนหูนหนวกอาจได้ยินคนตาบอดอาจแลเห็นคนหลังค่อมก็ตรงเพราะเหตุใดเพราะคนหูนหนวกตาบอดมันก็มีเกิดมีแก่มีเก็บ ม, ม, ม, มีตายเหมือนกันเทศคำเดียวถูกไตโลกธาตุเลยเพระบรมศาสานาเทศนะ เทศดินน้ำไฟลมก็ถูกใจโลกธาตุเมื่อเห็นดินน้ำไฟลมชัดโลกดินโลกน้ำโลกไฟโลกลมก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นความเกิดแก่เก็บตายชัดความเกิดแก่เก็บตายในชาติหน้าพบหน้าก็ดีหรืออดีตในหาเขดีก็ไม่ต้องสงสัยถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่เห็นเห็นพรอองคขาลมหายใจเขาออกด้วยมันจะขบฏไปไหนอีกนี่ เห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อครับลมหายใจเข้าออกด้วยมันจะขบรถคืนไปที่ทไหนเองเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพ่อครับลมหายใจเข้าออกมันจะขบรถไปที่ไหนอีกนั่นถ้าเห็นตามฟังมาหรือจํามาเคยหูวข้อัดปากแก้วเจ้าขาจึงเข้าวข้าวกล้วยแต่ว่ากินอยู่ก็ไม่รู้จักข้ากล้วยมันก็ลําบากอันนั้นถ้าเห็นชัดพ่อครับลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะขบรถคืนที่ไหนในใจโลกธาตุนี่ เห็นอันนี้จางชัดพ้อมกับลมหาใจเข้าออกไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแล้วมันจะสงสัยไปที่ไหนในโลกอันนี้ใครจะมาโ ก, โกหกพลมมันได้นั่นถึงแม้จะมีคดทอยู่ตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านมากกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินก็าตามมันก็มีวันจะลดหย่อนลงไม่ใช่มันจะบวกทวีคูณทวีนั่น ถ้าเห็นใดๆในโลกรวนไม่ใช่ของใครแล้วเกิดขึ้นแปรปวนแล้วแตกสลายชัดพร้อมกบลมห้ใจเข้าออกแล้วความขี้หึงมันจะไม่มาจากประตูใดอีกใครมากมายจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกอนั่นถ้าเห็นว่าในสกคลกายเต็มไปด้วยของป่วยเน่าชัดแล้วพร้อมกำลมห้ใจเข้าออกแล้วความขาบดในราคะของมัน จะบวกลบมันจะบวกจะคูณมาจากประตูไหนถ้ามันเห็นชัดนั่นใดๆ ใ, ในโลกล้วนเห็นอันนี้จังทุกขังอนาตาหมดแล้วเสมอกันในทัพไตยโลกธาเนี่ยถ้ามันไม่เห็นว่ามีความสุขเลยแม่แต่ น, นิดเดียวอย่างนี้กิเลสมันจะบวกคูณมาจากประตูไหนทีนี้ความหลงมันก็ลดหย่อนลงเหมือนกัน มันจะรวมพลมาจากประตูไหนถ้าเราภาวนาเห็นชัดในปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นพยานพยานอดีตพยานอนาคตพยานอดีตมันล่วงล่วงไปแล้วพยานอนาคตมันยังไม่ม า, มาถึงก็เอาพยานปัจจุบันเอาเอาเอาปัจจุบันเป็นเป็นพยานปัจจุบันนั่นจะโยธรรมมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันตอนไหน ผู้นั้นจะไม่สงสัยธรรมตอนนั้นๆในอดีตในอนาคตนั่นเห็นคุณพุทธธรรมสงในปัจจุบันชัดคุดธรรมพุทธททธรรมสงในอดีตอนาคตมันก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธธรรมสงมีอยู่ทุกการแล้วที่สำคัญว่าเป็นอดีตอนาคตก็เพราะเราเป็นผู้สมมุติใช่เฉยๆไอ้ที่แท้มันไม่มีอดีตอนาคตเลยความแก่ก็ไม่มีอดีตอนาคตความเก็บก็ไม่มีอดีตอนาคต มันมีอย <adas avez S 3> ู <ederim> ่ทุกการพระนิพพานก็มีอยู่ทุกการผู้ถือไม่มีบุญมีบาปก็มีอยู่ทุกการผู้ถือไม่มีบุญมีบาปก็มีอยู่ทุกการผู้พยายามปฏิบัติเพื่อใพ้นทุกนามาตาสงสารก็มีอยู่ทุกการผู้ถึงพระสดาวันก็มีอยู่ทุกการผู้ถึงพระสกทาคามีก็มีอยู่ทุกการผู้ถึงพระอนาคามีก็มีอยู่ทุกการพู้ถึงพระอนาคามีก็มีอยู่ทุกการผู้เข้าสู่อนุปัฏฐิเสตานิพพานไปแล้วก็มีอยู่ทุกการ ผู้ตกนรกก็มีอยู่ทุกการผู้เป็นสัตว์ติดฉานก็มีอยู่ทุกการการของใครของมันนั่นเหตุฉะนั้นจึงว่าอาการิีโกมีอยู่ทุกการผู้ผูกเว็นผูกไัยก็มีอยู่ทุกการผู้พยายามระเวณนไัยก็มีอยู่ทุกการนั่นผู้ฆ่าสัตว์รักษาว่าพิษินกรรมก็มีอยู่ทุกการ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในปัจจุบันหมดแล้วไม่ใช่ว่ามันมีในอดีตอนาคตมันมีอยู่ทุกการแล้วชั้นโลกีก็มีอยู่ทุกการชั้นโลกุตระก็มีอยู่ทุกการมันก็ขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาขึ้นอยู่กับผู้รู้ผู้จะเอาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของทิพย์ไม่ใช่แต่ว่าโลกทิพย์ละพระธรรมก็เป็นของทิพย์ โรกทิพย์ก็คือใจทำทิพย์ก็คือใจทำดีได้ดีทำชัวช่วไรชั่วมันเป็นของทิพย์แล้วเนี่ยพ้นจา ก, กิเลศมันก็ไม่มาเกิดแก่เก็บตายมันเป็นของมาหาทิพย์เสียแล้วทิพย์อันไม่เกิดไม่ดับอันนั้ น, นยอมตายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลือดทุกหยด จะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อและเลึกได้ไม่เลึกได้ก็ดีจะยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อจะยอมให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเยี่ยวรถเหยียบย่ำถ่มน้ําลายคายน้ำโมก ok, ใส่อยู่ในสกปรกายสกปรวาจาสกปรกใจอยู่ทุกเมือ่อไม่มีประมาณนั่นแหละนี่ที่จเป็นบุคลาธิฐานเนี่ มันก็หมดปัญหาท่านั้นมันก็ถูกกับว่ายังกินจีรตนางโลเกวิชติวิธรรมพุทธวิรตนางพุทธาสมางณนติตัดสมาโสโตรที่ภวันตุเตรัตระอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเลยนัตทิเมทระดังอันยังพุ ท, โทธโธธรโมสังโคมีัระน า, างมลังสนาระอื่นของเราไม่มีพุทธธรรมสง์เป็นสนาระของเราอยู่ตรงนีองอ้แบบผููขาดจองขาด อยู่ทุกลำปานแล้วและเลิกได้เมือกได้ก็ดีจะย่นลงมาเอกคุณคุณของ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีประมาณมีอยู่ทุกการทุกเวลาของชั่วก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาของดีก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาเพราะทําเป็นของกลางใครต้องการก็เอาทรัพย์สินภายนอก กูได้มากมึงแนน้อยทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาใครต้องการมากก็เอามากใครต้องการน้อยก็เอาน้อยไม่หมดเป็นแต่ก็เป็นวางขึ้ื่นของพุทธศาสนาแล้วนั่นน้าห้วยหนองคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรชั้นใดเทียบในทางลึกซึ้งคำสอนใดๆในใตรโลกธาตุ ก็ไหลลงสู่คำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเขื้มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือไม่มีกลางวันกลางคืนชั้นใดคำสอนใดๆในไตรโลกธาตุก็เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานชั้นนั้นนะในไตรโลกธาตุก็คือคุกเราดีๆนี่เองนับแต่พ ม, มาโลกลงมาก็คือคุกเราดีๆนี่เอง คุกเกิดคุกแก่คุกเก็บคุกตายคุกโลกคุกโกรธคุกหลงพ้นจากคุกแล้วก็คือพระนิพพานเท่านั้น น, นั่นถ้าจัดโดยละเอียดนักหาความสุขในโลกนี่ไม่เท่าพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลหาความสุขในโลกมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่เห็นมันไม่พบมันไม่ปะมีความหมายอันเดียวกัน ถ้าว่ามันเจอมันเจอมันพบมันเห็นมันปะเท่ า, มาเมล็ดงาหนี้ก็ดีเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์พักการ์ดนี่ก็ดีพระอรหันเจ้าก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้พระวิญยามปิสนธิจะประจิตอยู่ที่เท่าเม็ดงานั้นและเมล็ดพันธุ์พักการดนั้นตราบใดพระอริยะเจ้าทั้งหลายมาเห็นโลกเห็นแต่อานิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นแต่สัก ว่าดินน้ำไฟลมเป็นทศวรรษกองน้ำโลกเป็นทศวรรษสังขารสัพพลกคท่องพวงย่ลงมาเป็นสังขารโลกมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวาโลกได้แก่ฉะกามาพระจระหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประพรหมที่หกชั้นกับรูประพรหมสี่ชั้นสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์ โลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารลาปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกขอย่างยิ่งนั่นไม่ใช่ทุกนิดเดียวไม่มีสารอุทธรไม่ได้จัดเป็นสารอุทธรสารตัดสินขาดไม่มีทุกก็คือพระนิพพานอย่างเดียวนั่น ผู้ยินดีในพระนิพพานผู้ยินดีในการพ้นทุกข์ในวัฏฏะท่องศารก็คือบารมีเขาสร้างแก่ก้ามาแล้วคนเราอยู่มันไม่อยู่ระดับเดียวกันบางท่านก็บวชมาในพุทธศาสนาอหรือถือพุทธศาสนาเป็นอัปตาปตาธิปไตยบ้างเป็นโลกาธิปไตยบ้างถ้าไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเกรงเขาว่า ให้ตน้นอย่างนั้นก็มีก็เพราะตามจิตใจของแต่ละท่านนั่นเองจะบงังคับก็ไม่ได้ผู้ที่เห็นภายในวัดตาทสงสารอย่างเต็มทีน่นะโมตัวเดียวเขาก็น้อมถึงพระนิพพานเขาไม่ใช่นะโมเรียกนะโมผานะโมบดัด ม, ม, mm. มันะโมเบือเดินจงกรมก็ไม่ภาวนาก็เพื่อไม่ได้อวดกินขนมบุคคนผู้เขาเห็นภายในวัดตาทสงศารผู้ยังไม่เห็นภายในวัดตาทสงสารอย่างเต็มที่ ก็ทําทบุญเพื่อเพื่อเพื่อใช้อํานาจเพื่อเอาบุญไปเป็นโลข่มคนเพื่อปฏิบัติเพื่อข่มคนเพื่อปฏิบัติอวดดีในวัดตาทองศาลกระทบกระเทือนในวัดตาทองศาลเพื่อแย่งขี้กันผู้ที่เปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัดตสสาสรงศาลเขานจะแย่งขี้ผู้ใดพูดโทรคำยองเขาก็หยั่งลงถึงพันนิพพานเลยเอวังเอาละทีนี้